Dhamma akusala, kayo dhamma kusala, dasa dhamma akusala, dasa dham. ขโมทนากับเราในช่วงนี้นะได้มนติีการได้เจริญกุศลประการที่สามสงสัยพระอริยะสงฆ์แท้ๆที่จะพ้นไปจากสังสารวัฏเนี่ยที่ท่านเดินตามอริยามรรคมีองค์แปดเนี่ยแล้วบรรลุธรรมนั้นเน่มีอยู่จริงไหมอริยสงฆ์แท้ๆเนี่ยนะ ผู้ปฏิบัติธรรมที่นําออกจากชาติทุกข์กชะลาทุกพยาทีทุกมรณะทุกเนยออกจากความโศกความล่ําไรลําพันเป็นต้นเหล่เนี้มีอยู่จริงหรือไม่มีเนี่ยนี่สงสัยประสงค์ใช่ไหมทั้งั้งที่อริยสงฆ์นะํานมีอยู่เต็มโลกนี่เนียเต็มโลกนี่โดยมากในเทวภูมิเต็มหมดนะ แต่เราสงสัยเพราะอะไรเพราะการฟังการศึกษามาไม่ดีนี่เนประการต่อมาสงสัยผลประโยชน์ของการปฏิบัติในศีลในสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะได้ประโยชน์จริงไหมมันจะได้หรือไม่ได้เช่นทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลที่มารดมกล่าวอย่างเงี้ยเมื่อปฏิบัติไปแล้วมันจะได้ผลจริงหรือไม่สงสัยไหม เอางี้ถ้าบอกว่าถ้าเราเข้าใจเจตนาทานอโลภาทานววทิตทานจนครบบริบูรณ์เนี่ยเข้าใจกระบวนการของกุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นทานคือจิตที่คิดสละคิดจะให้เนี่ยบริบูรณ์ชัดเจนและสามารถเห็นวัตถุทุกชิ้นเป็นทานได้แล้วก็ย่อไม่กระทังโลกทั้งใบนี่เป็นวัตถุทานได้ แล้วเห็นทั้งภายในเป็นอัจฉติกท า, านเป็นต้นได้แล้วถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราสละทั้งหมดเนี่ยแล้วผลมันจะจะเกิดกับเราจริงไหมเนี่ยสงสัยไหมมันจะจริงไหมเนี่ยถ้าเราสละทุกอย่างจริงๆแบบตัดขาดเลยเนี่ยน้อมสละเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเบ็ดเสร็จเนี่ยนะ แล้วชีวิตของเราเนี่ยมันจะอยู่ยังไงเนี่ยแล้วผลที่เราให้จริงๆเนี่ยจะทําให้กระแสชีวิตของเราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยไหสสมต้องการไหมในที่นั่งนั่งกันเนี่ยสงสัยข้อปฏิบัติแล้วถ้าเราเดินตามศีลสมาธิปัญญาเดินตามคำสอนของพระเจ้าจริงๆเนี่ยนะเอางี้นวะว่า พระมหากรินนะใช่ไหที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินตอนนั้นน่ะมีชาวพ่อค้ามาจากสาวถีพอเดินทางมาท่านออกตรวจราชการไปในพระเจาอุทยานพร้อมด้วยอมตห้าร้อยพอไปถึง ก็เห็นเราพวกพ่อค้ามาท่านก็ถามว่าท่านทั้งหลายมาจากเมืองไหนบอกมาจากสาวัตถีพระเจ้าค่าเออพระราชาในเมืองนั้นเป็นอย่างไรบอกไปตามลำดับและเมืองของท่านมีของดีที่สุดประเสริฐที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างพ่อค้าก็บอกข้าพรเจ้ายังพูดไม่ได้เราพบปากข้าพระเจ้าไม่สะอาดท่านก็ ไเอาน้ำเท่าทองคำเนาะใส่น้ำยื่นให้เลยเอาท่านทั้งหลายล้างปากล้างมือเสียก็ล้า ง, อ ง, างพอล้างเบ็เสร็จหันไปทางพระพุทธเจ้าแล้วก็ประนมมือบอกว่าที่เมืองของข้าพเจ้าพระบรมศาสดาสามมาสามพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้โอ้โหได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้า แต่อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วปลาโมดปีติปัสทธีความสุขสมาธิเกิดตูมสละพระราชทรัพย์หนึ่งแสนกหาปณะให้ทันทีโอ้โหเป็นมงคลแก่หูเขาไปเยอะมากแก่เรามากที่ได้ยินเคาว่าพรธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราได้ยินเข า, าพุทธเจ้ายังง่วงอยู่เลยใช่ไหมยังโงอกง่วงยังสงสัยอยู่เลยอะ่ะอันนี้บง่งบอกถึงอะไรอะ่ะ นี่บ่งบอกอะไรความสงสัยไงนี่เรานี่แหละวิจิตรฉาเยอะจัดสงสัยแล้วก็บอกพระธรรมพระสงฆ์พระราชฐานพอพูดเบดเสร็จปุบ๊บพอบอกพระธรรมเกิดขึ้นมาแล้วท่านชื่นใจท่านคิดอะไรรู้ไหมเราได้ฟังธรรมเนี่ย ใช่ไหมผู้เจ้าเกิดอย่างเดียวไม่พอแล้วผู้เจ้าต้องแสดงธรรมแล้วเพราะพระธรรมอุบัติแล้วแล้วก็ถามต่อไปจ้องจะจ อ, จอนี่นะพระสงฆ์เสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วแค่นั้นโอ้โหโล่งเลยว่าเราได้บรรลุแน่ๆ่เราต้องเป็นอริยสงฆ์หนึ่งในสาวกของพระพุทธมีพระเจ้าเนี่ยทันทีเลยมองย้อนกลับไปที่พระราชบัลลังก์ตนเองนี่นะ แผ่นดินทั้งแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดประชากรทั้งหมดราตสมบัติทั้งหมดเป็นก้อนเสเลตติดปลายลิ้นทันเดีก้อนเสเลตเมื่อออกมาจากปากแล้วมันอยู่ที่ปลายลิ้นเนี่ยปรารถนาจะกลืนกลับเข้าไปไหมกลืนไหมท่านไูดว่าสายกลืนไหมไม่กลืนแล้วต้องทิ้งแน่นอนฉันใดความรู้สึกของท่านเป็นอย่างนั้นเน่ะ เขียนราชองค์การดันดีไม่คิดแม้แต่จะกลับวังบอกมอบให้พกมอบให้อมาตไม่มีใครเอานะมอบให้พ่อค้าบอกท่านทั้งหลายเอาไปมอบให้พระมเหสีบอกเราขอสะละราชบัลลังก์เดี๋ยวนี้พอเบสเศร็จก็ท่านทั้งหลายเราจะไปเฝ้าพระเจ้า ท่านจะว่ายังไงพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วท่านจะว่ายังไงเนี่ยพุโทโธโลเกอุปันโนเนี่ยพระตถาคตเจ้าเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านจะว่ายังไงอามาทั้งหลายบอกว่าก็ขนาดราชบัลลังก์ท่านยังทิ้งของข้าพเจ้ามีแค่ภรรยาและลูกแล้วก็ทรัพย์แล้วข้าพเจ้าจะเอาไปทําไมเรียบร้อยเลยทิ้งกันหมดเลย พระราชาก็ควบม้าวิ่งนำหน้าอมัห้าร้อยวิ่งตามควบมา้าตามเลยเงียดูสัตว์ทินรีท่านดิพอควบไปควบไปตามลำดับเนี่ยพุทโธพุทโธตามลำดับเนกระแสของปราโมทปีติปัสสิทธิเกิดตลอดเนะยอย่าว่าแต่คนเลยแม่ม้ายังตื่นเต้นเนี่ย เพราะสภาพของปีติปฏิสิทธิความสุขเนี่อย่าลืมนะเขามีพลังเนอะอยู่ใกล้ชิดสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตก็สัมผัสได้หมดลและถ้าเราอยู่ใกล้คนมีถีน้ำมิท้ามากเราพอยังอยากง่วงง่วงใช่ไหมอยู่ใกล้คนเกียรตค้านเราก็อยากเกียดค้านอยู่ใกล้คนวิจิกิจฉาเราก็วิจิกิจฉาอยู่ใกล้คนมีศรัทธาเราก็มีศรัทธาเป็นอย่างนี้พอเบ็ดเสร็จไปเจอแม่น้ำใหญ่ ชะลอมาปุ๊บไปไม่ได้แล้วเอ๊ะถ้าจะวิ่งลัดเลาะใช้เวลาอีกนานมากหลายโยธมากหลายวันมากไม่ได้ถ้าพระผู้มีพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นถ้าพระธรรมมีอยู่จริงพระสงฆมีจริงพระพุทธเจ้าต้องดูแลเราเพราะชีวิตของเรามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้วท่านทั้งหลายกลัวใหญ เมื่อศรัทธาเรามีต่อพระบรมศาสดากระตกม้าโดดข้ามแม่น้ำเนี่ยแล้วทําไมข้ามได้กล้าที่จะวิ่งลงน้ําอ่ะถ้าอย่างเราโดดจม ấy. อยู่ตะลิ่งนั่นแหละเพราะศรัทธาไม่ถึงเราเนี่ยศรัทธาไม่ถึงหรอกความมุ่งมั่นไม่ถึง ฉะนั้นนี่ไงบ่งบอกถึงว่าวิจิกิชาเรายังมีกําลังแต่ถ้าศรัทธาไปอยู่ล้นจนจนกดนี้วิจิกิจชาให้อยู่ต่ําต้อยอยู่ได้เนี่ยในสุดจริงๆเนี่ยทำอะไรก็สําเร็จนี่เป็นอย่างนี้ันสภาพสัตทินรีเราไม่แข็งแรงเพราะวิจิกิจชาในข้อปฏิบัติเราไม่มั่นใจว่าเราไปอย่างนี้แล้วเนี่ย พระศาสดาจะคุ้มครองเราพรพุทธเจ้าจะคุ้มครองเรายิ่งมาบอกว่าพระศาสดาบริญญาพานแล้วยิ่งยิ่งไปใหญ่แล้วใช่ไหมเพราะเราไม่เชื่อจริงว่าพระศาสดาก็คือพระไตรปิฎกน่ะเพราะเราไม่เชื่อพระศาสดาตรัสยังไงบอกดูก่อนอานนท์ทำรรและวินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเรา ทีนี้โดยชั้นคำสอนก็คืออะไรก็คือบอกว่าพระวินัยปิฎกสอง0มื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎกสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์พระพิทามปิฎกสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ เพรว่าเรานั้นน่ะปเิณีพานเพียงองค์เดียวท่านเดียวแต่พระพุทธเจ้าอีกแปด0มื่นสี่พันองจักทากิจศาสดาแทนเราหลังการล่วงไปแห่งเราแล้วก็ไม่เชื่อว่าตอนนี้ศาสดายังทรงทากิจของพระศาสดาอยู่เพราะเรามีวิจิกิจฉ้าไง เราไม่เห็นภาษาสดาทรงทากิจแห่งภาษาสดาในการท่าสอนบอกข้อปฏิบัติอยู่เนี่ยนี่ไงวิธีกิจฉาเป็นแบบนี้ถ้าเชื่อเราปงผมปงหนวดผมผ้ากาสาวพัดเดินตามท่านมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแล้วเพราะเราเกิดมาเราก็ได้ยินคำว่าพุทธศาสนาแล้ว ก็เพราะไอ้วิจิกิจฉานี่แหละที่มันฝังแน่นในกมลและสันดานของเราท่านทั้งหลายนี่แหละเราจึงออกจากมันไม่ได้และเราก็ถูกมันเกลี้ยกลอมอยู่อย่างยาวไกลเนี่ยสงสัยอยู่นั่นแหละมันเยียดเรือสองแค่ไม่ทางสองแพ่งอยู่นี่แหละจะเดินจริงๆก็ยังกลัวๆกล้า ๆ, ๆ, ๆเหมือนใครมาดึงเราไว้ก็ไม่รู้ทั้งๆที่มองไปข้างหลังบง เมื่อกี้ยังคุยกับโยมที่เป็นเโยของบอกวาโยมเนี่อยากคนทุกข์ขอไปเนอะเอ า, เ, อ า, เ, อาเธอมากล่าวที่หลังเธอไปอยู่แล้วเธอว่าเธอมาลาขอมาลาอะไรนะเออขอขอมาลากรรมาถานเอามาบลาทําไมแบกกรรมฐ า, านไปถือขะตะปัจจาคติกวัตเอาวัดในการเอากกรรมฐ า, านไปแล้วกรรมฐ า, านกลับมา ไปทิ้งพระพุทธเจ้าได้ยังไงกรรมฐานก็คือพระพุทธเจ้าไปเนะี่ยต้องไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าสิอย่าลากรรมฐานอย่าไปลาพระพุทธเจ้าถ้าจะลาพระพุทธเจ้านั้นให้ลาเวลาไหนเหมือนภาษาลิบุตรไปลาพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปนิพพานเนี่ยนั่นแหละเวลานั้นน่ะที่จะลาแต่ตอนนี้ลาเมื่ อ, อไหรนะ่น่ะ ลาเมื่อไหร่สํานวนามาบอกว่าส่วนเมื่อ น, นั้นเนีขอไปไหมลาละยุง่งตอนนี้ทาลาพระพุทธเจ้าในยุง่งต้องเอาพระพุทธเจ้าไปด้วยต้องเอากรรมฐานไปด้วยเข้าใจไหมไปไหนต้องเอาพระพุทธเจ้าไปด้วยถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็ทําบาปสิ แล้วจะไปเกงใจใครแล้วเราไม่พระเจ้าไม่ได้อยู่นี่ตอนเนี้ยไม่เกงใจแล้วอยากจะโลภะเกิดก็เกิดโทสะเกิดก็เกิดโมหะเกิดไม่เกงใจเพราะปรมศาสดาสา ม, มาสมุทัเจ้าใช่ไหมก็ขนาดฟังธรรมยังแก้งบาปให้บาปเกิดได้เนี่ยนี่หมดความเกงใจพระเจ้าอย่างหมดแล้วก็กระทั่งพระธรรมของพระบรมศาสดากําลังไหลอ ย, อยู่ในเนี่ย ในกระแสใจอยู่เนี่ยเราก็ไม่เห็นพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นอย่าลากรรมฐานอย่าลาพุทธเจ้าแต่ให้ลาวันสุดท้ายตอนที่ภาษาลิบุตรไปลาพุทธเจ้าใช่หมแต่ลาวันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจะไปพื่อพานิพาน ท่านบอกว่าข้าแก่พระองค์ผู้จเจริญการเห็นพระผู้มียภาคเจ้าในครั้งนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายนี่ท่านลาจริงไหมเพราะข้าพระเจ้าจะเข้าสู่ห้องเข้าสู่เมืองของพระนิพพานเข้าพระเจ้าอิจหนาระอาใจของขันทนาตายตนะเหลือเกินประดุดดังซากสุนักเน่าที่โผลกับคอเนี่ย นี่ข้าพระเจ้าอีกเจ็ดวันก็พะเจ้าจะไปกระชากสุนัขนี้ออกจากคอแล้วข้าพเจ้าไม่แบกไปอีกแล้วสภาพของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยทิ้งปฏิทิ้ ง, ท, งทิ้งขันทภาระนี้แล้วจะไม่ไปแบกขันธภาระจะไม่ไปยกขันภภาระอื่นขึ้นมาแบกอีกแล้วมันทรมานเหลือเกิน การที่จะต้องมาแบกผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหรือตาหูจมูกเล่นกายใจท่องเที่ยวไปมาในวัฏสงสารพบน้อยพบใหญ่เนี่ยเข้าไปแล้าทิ้งขันธภาลาหมดแล้วอิดหนาละอาใจเหลือเกินใช่ไหมท่านอิดหนาละอาใจต่อขันธภาลาที่ต้องแบกพลุงพลังเนี่ยซึ่งน่าใสอิสเอียนเหลือเกินใช่ไหม เต็มไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับ ป, ปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยท่านเห็นโทษเห็นโทษของการที่จะต้องไปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วท่านละฉันทลาคะคือความยินดีความเพลิดเพลินในขันท่าดยตนะได้เบเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ไปลาพรธเจ้านี่คือลาจริงไหม นี่ลาจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเจอกันอีกเลยดูสิว่าท่านสร้างบา ร, รมีมาเนี่ย ใ, ในสังสารวัฏเนี่นะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามาก็ยาวไกลเวลาท่านจะจากกันเนี่ยแผ่นดินไม่มีใจยังสะเทือนสะทานรองรับเลยนี่เป็นอย่างนี้แม้อมาถามโยมถามว่าเออไปนารันธา บอกเออไปที่นาลันทาเนี่ยคิดอะไรบอกได้ประวัติศาสตร์มุสลิมมาทํำลายมหาวิทยาลายัยอามาก็ได้แต่นึกในใจว่าทําไมไม่เห็นว่าภาษาริบุตรท่านไปทิ้งขันทภาพระไปริภริภานหน้าที่ตรงนั้นทําไมละเลยที่ตรงนั้นแม่ของภาษาริบุตรได้บรรลุธรรมและหน้าที่ตรงนั้นแหละภาษาลิบุตรท่านไปทิ้ง ขันธภาละและท่านไม่ยกขันธภาละขึ้นมาแบกเหมือนเราอีกเลยแล้วเราไปที่ตรงนั้นน่ะเราก็ไปตั้งอัธยาศัยสิว่าข้าพเจ้าจะทิ้งขันธภาละอย่างที่ท่านพระมหาสารีบุตรท่านทำเนี่ยท่านเสนาวดีสารีบุตรของพระพุทมีพระเจ้าทรงทิ้งขันธภาละแล้วท่านเอือมละอาต่อรูปขันธเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เอื่มละอาต่อการมีตาหูจมูกเล่นกายใจเอื้อมละอาต่อการยกขันธภาระขึ้นมาแบกแล้วแบกอีกมันแสนจะทรมานแสนจะน่าสอิเสียและน้าเบื่อหน่ายแต่ท่านทิ้งได้เพราะท่านละฉันธลาคะตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทาปหานได้ท่านปรินิพานในที่ตรงนี้เราจะเอาท่านเป็นยั่เยี่ยงอย่างเอาเป็นแบบอย่างแล้วจะเดินตามรอยบาทพระศาสดา เพื่อทิ้งขันธภาละให้ได้อย่างเร็วพันจะไม่แบกไปอย่างยาวนานแล้วถ้าเรากระตุกความคิดตรงนี้ได้มันจะเร่งรีบไหมเร่งรีบแล้วจะไม่ถ้าคิดได้อย่างนี้เมื่อสองพันกว่าปีเราจะตามนันวาษารีบวิไปเมื่อวันนั้นแล้วอินคิดไม่ออกเพราะไปดูประวัติศาสตร์กันอยู่นี่แหละไม่ดูประวัติศาสตร์เขาจยังมันเป็นอย่างนี้ไง เรียนกันจริงใช่ไหมดูเนี่ยนะปริญญาพ่วงเป็นหางเว้าเลยนะบางคนเนี่ยนะแต่ที่ไหนได้น้าเข้านะเข้านะออกจากบาปถอนจากความเห็นผิดไม่ได้ถอนจากมานะตนะมานะที่ถีไม่ได้เนี่ย น, นี่ผมเพราะอะไรเนี่ยแล้วยิงยิ้มปิดอบาบโยโฮไม่ได้ยิ่งน่ากลัวไหมแล้วใบประกาศช่วยอะไรได้เอ้ ถ้าสมมตินะอะอามาจะได้ดอ็ดอกเตอร์มาสัก3ามใบเนี่ยสามปริญญาเนี่ยแต่มาเปิดช่องใบายาภูไม่เต็มใบหมดเลยมันมีประโยชน์กับมาไหมเนยไม่มีประโยชน์เลยทุกวันนี้ใบประกาศต่างๆมาเอาโยนทิ้งหมดเลยรู้มใครถามมาว่าผมไม่พออให้เขาแต่ก่อนก็เอามาแอบโชว์เนีอย่างนี้ไม่เอาแล้วออกมาทำไมใช่ไหม มันไม่ได้ปิดอใบายาโพมาเลยได้เลยนะสักใบนะยิ่งไหมท่านพูดว่าก็เอาไว้แฟนเตอนฝาโรงอะได้เอาไว้โชว์เขาเนี่ยโอ้โหท่านวันนี้จบมากี่ใบกี่ใบเนี่ยบางคนนี่เรียนมาจนรอบเลยนะโห้ยตั้งแต่เบื้องต้นเนยลองดูดินะต้องเรียนตั้งแต่ปทหนึ่งเย็นปทเก้าตอร์เตียนมหาเอกสมมาิอย่างงี้นะ แล้วก็เรียนตั้งแต่มหาจุฬานี่เนี่ยแรงแต่ตั้งแต่ปริญญาตรีทัละเอกแล้วก็ต่อมาครูขุด เ, เ, เองอ่ะเสร็จแล้ไปต่อต่างประเทศอจริงเขาจบยังไม่พอเนาะบินไปเรียนในบาลีอีกทั้งบัลีต่อนั้นเนี่ ย, ยไปจบร่างกาย ก, กลับมาแต่แต่ใบภูมิเปิดทุกช่องเลยทำไงตัวเนี้ยแล้วยังถอนบาปอกุศลออกในกระแสใจไม่ได้จะทำยังไงตัวเนี้ย ไม่ใช่การเรียนไม่ดีนะแต่การเรียนเอาใบประกาศเนึ่ยมันไม่ดีมันไม่ดีตรงนี้นี่แหละมันสร้างตัญหามนานะที่ถีแค่ น, นั้นเลี้ยงนิดหมายถึงสายทางาศาสนาของพุทธิยานี่เนี่ยสายทางโลกเพื่อจะประกอบหาอาหารกินก็ว่าไปก็เลิกวิชาหาข้าวกินเนี่ยก็เรียนไปเถอะถ้างั้นมันก็ต้องมีใบรับรองเขาทั้งนั้นก็ไม่ให้ข้าวกินคือไม่ให้ที่อยู่อาศัยเครื่องนองห่มยารัากษาโรคก็ว่ากันไป แต่ถ้าทางในภาษาศาสนายังเมาใบบริเดยาลองรับเนี่ยอมาเดินทางผิดมาไงมามาถึงกล้าพูดคํานี้ไงมามาถึงกล้าพูดคํำนี้ถ้ามาไม่เรียนมานี่นะไม่มีใบประกาศแต่มาจะไม่กล้าพูดคํานี้นะเพราะมันเรียนมาแล้วเนี่ยมาถึงไม่เห็นไม่เห็นคุณเลยไปติดกับมันอยู่มันน่งอวดนั่งโชว์กันอยู่นี่แหละแต่ถ้าไม่เรียนมันไม่ดีมนี่รู้ พอไม่รู้กันมามันจมแต่ถ้าเรียนแล้วมันไปอยู่ที่ใบประกาศก็ไม่ดีอีกแหละแต่บางคนบอกเอ้าเรียนมาแล้วก็ให้ใบประกาศแล้วเองถ้าอย่างนั้นวางใจได้ก็ขอโนระนะเจ๊มะขอให้วางใจได้จริงๆเงให้ถามอย่าไปบอกก็าบอยถ้าบอกมัเป็นมานะไหยโดยส่วนใหญ่เป็นมานะเป็นมานะทั้งนั้นแหละมานะก็เป็นกุศลหรืออกุศล ก็เป็นนกุศลเป็นธรรมะที่ควรละเลยควรจเจริญคนละถ้าบอกต้องบอกด้วยเนี่ยไม่ดีเลยผมเดินทางผิดผมไปเรียนม า, นายจนใบประกาศเต็มหมดเนี่ยออกมาบอกบอกแบบ น, นี้เลยนะน เ, าาเนี่ยออมาในเรียนมาผิดดูใบประกาศอยากไปดูไหมที่วัดแต่ไม่เจอแล้วพวกตนนี้น่าจะไม่เจอแล้วด้วยจริงๆแล้วน่าจะไม่เจอแล้วไม่เห็นประโยชน์ <C> เลย สาหรับามานะคนอื่นอาจจะได้ประโยชน์ก็ก็เขาไม่ว่ากันเนาะเนี่ยมาพูดถึงตัวเองเพราะมันขวางอามาต้องเป็นสิบสิ บ, สบปีอย่างนี้ ด, ด, ดิตัวอามาเองนะคนอื่นก็อาจจะได้สาระจากการได้ใบประกาศนั้นแต่ามานี่ยอมลาเบกิกเลตมันแรงโดนนะแรงมากไปที่ไหนก็แต่ถ้าใครสามารถทรงคําสอนได้เข้าใจคําสอนได้ อัถะของคำสอนชัดเจนแล้วก็สามารถเอามานประพฤติปฏิบัติตตรงนี้ที่บอกว่าสงสัยในผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญามีอยู่จริงไหมพอพูดถึงพระมหาพระเจ้ากัปปินะนี่นะเบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเอนนี่ท่านได้เนี่ยท่านได้จากการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญา เมื่อท่านมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างแท้จริงปุ๊บแปลว่าท่านได้เลยเห็นไหมและท่านได้บรรลุไปแล้วเห็นไหมคนที่ศรัทธาแต่อย่างเราเนี่ยถ้าศรัทธาไม่เกิดจริงๆเอาความกล้าแบบโทสะตายอย่างเดียวไหมตายจริงๆเช่นเราจะไปเดินไปเอาพระเจ้ามีจริงไม่จริงเราจะเดินผาเนี่ยเป็นหน้าผากขวางเราอยู่เราจะเดินก้าวไปแล้ว ตกไหมได่เพราะศรัทธาไม่ไม่ไม่รองรับจริงศรัทธาไม่พอศรัทธาต้องอาศัยอาหารไหมต้องอาศัยปัจจัยไหมตอนนี้ปัจจัยของศรัทธาไม่ถึงเลยตรงนี้การฟังธรรมกถาการฟังคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยเชื่อว่าเป็นการเพิ่มศรัทธาไหมตรงเนี้เขาเรียกว่านี่สงสัยในผลผลประโยชน์ ในผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติในทานศีลภาวนาหรือในศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นจะเห็นว่าถามว่าถ้าปฏิบัติในศีลเนี่ยมีผลประโยชน์ไหมผลที่จะเกิดขึ้นมีไหมมีอา น, นิสงส์ไหมปฏิบัติในทานมีอา น, นิสงส์จริงไม่จิงเอ๊ะเป็นไปได้ไหมคนยิ่งสละยิ่งให้ยิ่งบริจาคเนี่ย กลับกลายเป็นว่ายิ่งมากขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันน่าจะยิ่งหมดใช่ั้ยถ้าเรามองอย่างเราเรามันน่าจะหมดแต่ว่าคนที่เขาสละเป็นให้เป็นกับกายเขายิ่งเพิ่มอย่างไรบ้างไม่ได้อันนี้อันนี้ในรายละเอียดซึ่งซึ่งเดี๋ยวดูผลเราก็จะเห็นยิ่งปฏิบัติในศีล นปฏิบัติในศีลเดี๋ยวรายละเอียดในวันพรุ่งนี้ก็จะมาไขจ่ายศีลให้ดูว่าจริงๆนยมีอานิสงส์มีผลยังไงในสมาธิในปัญญาศีลกาจัดกาจัดอะไรกาจัดโทสะสมาธิกาจัดโลภะปัญญาก็กาจัดเห็นโมหะเห็นไหม เออสมาธิกับฐานเนี่ยอยู่ในฐานเดียวกันได้พอมาทําลายโลภะเห็นไหมเนี่ยเพราะการมาฉันท้าทั้งหลายเหล่าเนี้ยต้องใช้สมาธิเป็นตัวขม่มตัวตัดใช่ไหมแต่สรุปก็คือท่านเจงต้องการกล่าวพัญญานเองเป็นตัวละยังเด็ดขาดแต่ถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นฐานเนียก็ก็นั่นเลยฉะนั้นสงสัยในอดีตต่พบถ้าสงสัยในอดีตแต่พบคืออดีตขันใช่ไหม ขันธ์ธาตุอายตนะในอดีตกับในเด็กคือสงสัยในอดีตแต่พบและส่วนก่อนแห่งสังสารวัฏมีอยู่จริงหรือไม่สงสัยกรรมในอดีตมีจริงไหมทําไมสงสัยเพราะเราเกิดในปัจจุบนันบันเนี่ยเ พ, พราะพรหมสร้างเราหรือไม่หรือมีใครนิรมิตขันธ์เราขึ้นมาใช่ไหมก็สงสัยอย่างเงี้ยเพราะสงสัยอดีตขันธ์ในอดีตแพบนั่นเอง พอสงสัยอดีตขันในอดีตแพบมันก็ไม่ก็สงสัยผู้ทํากรรมในอดีตที่ไม่มีจริงกระแสขันธาตุอายตนะในอดีตไม่มีพบในอดีตไม่มีการทํากรรมในอดีตไม่มีเอ๊ะเราเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มาจากอดีตเหตุก็สงสัยแล้วเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็เลยสงสัยก็เลยเอ้าพระเจ้าสร้างพระเจ้าเนรมิตมีคนบัดลบันดาลมีพระพรหมสร้างพระพรหมเนรมิตก็แล้วกันที่ไหนได้พระพรหมใครสร้างพระพรหม พระเจ้าหรือใครสร้างพระเจ้าก็ไม่คิดใช่ไหมเอา้าพระเจ้าเกิดขึ้นเองว่าผมเกิดขึ้นเองเอาทีเราเกิดเองไม่ได้เอ๊ะมีข้อแม้ต่างกันอย่างเนี้ยนะนี่ก็เลอะก็คิดไม่ออกอีกแท้ที่จริงแล้วกระแสของชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาม่จะอดีตกรรมม่จะอดีตขันเป็นผู้สร้างเป็นผู้กําหนดใครสร้างเรามา กรรมของเราเองเรอเป็นตัวสร้างเรามาเนี่ยนะกรรมคือสัตว์ทั้งหลายก็ทํามาก็สร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจของสัตว์และตอนนี้เรากําลังจะสร้างตัวเองในอนาคตอีกไหมเนี่ยก็กําลังจะสร้างขันจะสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจในอนาคตอีกแต่ถามว่าเราจะตกแต่งขันที่งามหรือไม่งามอยู่ที่ปัจจุบันเหตุไหมเอาที่ถ้าเราสร้างกรรมที่บวกกับโลภะ แล้วคิดดูอดีตอนาคตะขันเราจะเงาไหมเนี่ยเขาเล่าสร้างขันที่มีโลาพาเป็นบริวารเน่ยจะสร้างขันที่มีโทสาเป็นบริวารหรือจะสร้างรูปขันเด็กที่มีโมหะเป็นบริวารจะแบบไหนหรือจะเอาตัวโลาพาโทสาโมหะมาเป็นตัวสร้างจริงๆเลยก็ได้ไม่ต้องเอาบริวารก็ได้คาว่ามีบริวารแวดล้อมก็แปลว่าเาจเริญกุศลได้หน่อยแล้วก็ให้บาปเกิดล้อม พอกุศลเกิดหน่อยก็ให้บาปเกิดล้อมทำบ่อยๆทำแบบเนี้ยเช่นโอ้พอกุศลเกิดสักพักหนึ่งนะกข้าก็ให้ถีน้ำมิทารล้อมก็ว่านี่มีถีน้ำมิท้าเป็นบริวารบ้างมีโลภะโทสะเป็นบริวารบ้างดีไหมถ้าทำกรรมแบบเนี้ยอย่างนี้กรรมอ่อนแอหรือกรรมแข็งแรงถ้ากรรมอ่อนแอจะทำให้ได้ปฏิสนติเป็นคนมีศรัทธาอ่อนไหมวิริยะอ่อนไหม สติอ่อนไหมสมาธิอ่อนไหมปัญญาล่ะโ oh. ย่อมเลยจริงไหมอ่อนหมดเลยแต่เนี้ยวันนีญญอ่อนแล้ว <c oughs> เอาไหมแบบเนี้ยกุศลอ่อนอ่อนเนี้ยไม่เอาทําทําไมล่ะก็อย่าไปทําอย่าไปให้มันอ่อนแออย่างเนี้ยทําให้แข็งแรงได้ไหมถ้าทาให้แข็งแรงเราเป็นผู้สร้างไหม แล้วเป็นผู้สร้างแล้วเป็นผู้ทำลายเอยงไมเนี่ยเป็นผู้ทาลายด้วยเนาะฉะนั้นเราก็ต้องทำกุศลกรรมให้แข็งแรงจริงๆทั้งเบื้องต้นทํากลางและที่สุดต้องแข็งแรงไหมต้องให้แข็งแรงต่อไปจะตั้งใจมานาสิการคำสอนยอมฟังนี้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจแล้วเนาะหวังว่าคงไม่มาทำสลืมสลือต่อหน้าพระเนี่ย เนียามาไม่รู้ทํากรรมอะไรมาก็ไม่รู้หรือเป็นเพราะกรรมอามาหรือกรรมของใครก็ไม่รู้นี่อามาอาธิษฐานอย่างนี้นไปที่ไหนขออย่าเจอคนโ ง, ง่คนง่วงคนนี้ก็ อ, อย่าเจอคนเบียดค้านเลยก อ, อย่าเจอคนขยันก็ อ, อย่าเจอคนมีวิจิกิจช้ามากอย่าไปเจอคนลังเลสงสัยมากอย่าไปเจอคนทิฏฐิกล้าแบบมิจฉาทิฏฐิเลยเนะ น, นี่ยนะอธิษฐานเนี่ยเนี่ยคอยครบกัลยาณมิตรนึ่ง ตลอดเลยนะตั้งเจตสิกฐานนี่บุญยังไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวต้องอธิษฐานตั้งใจหน่ยทักขนาดนี้ต่อไปคงไม่เกิดนเนาะโอ้คงไม่เกิดอ้อยังไม่แน่อีกเลยโอโ้ทำไมขนาดนั้นก้าบาปนี่ไม่ค่อยละอายเลยเนาะเออแปลกจริงๆใครใครใครบุญเกิดยากไหมบุญเกิดยาก อันนั้นทก็บอกโอ้ยโยอมไม่รู้เป็นอะไรด้วยยอมเนี่บุญเกิดยากจังไม่ต้องบอกประโยคต่อไปแล้วบาปเกิดง่ายเนี่ย ม, มาคิดออกบุญท่ <c oughs> <c oughs> บอกว่าถ้าบุญเกิดยากนี่แปลว่าบาปเกิดง่ายใช่ไหมแปลว่าบาปเกิดง่ายตรงเนี้ยตัววิจิกิจฉาเนี่ยมันลังเลความไม่แน่ใจเนยไม่แน่ใจอนาคตอะขันชาติหน้าเนี่ยส่วนของอนาคตมีอยู่จริงไหม นี่แน่ใจแล้วหากยังไม่บรรลุพระนิพพานเนี่ยจะต้องไปเกิดในชาติหน้าแล้วมันจะมีจริงไหมบอกว่้ถ้าไม่ได้บรรลุพระนิพพานมันจะทําให้เกิดต่อไปเรื่อยๆแล้วมันจะจริงหรือเนี่ยใช่ไหมเนี่ยวิจิกิจฉาคนที่มีวิจิกิจฉาเนี่ยละลห้าละลังอยู่นั่นแหละ จะเจริญกุศลก็ไม่เต็มที่ให้บาปก็ห่วงบุญก็อยากได้อยู่นั่นแหละอยู่เงี้ยบางทีจะเจริญกุศลหน่อยก็ออยังห่วงโ น, น้นห่วงนี่ทำโน้นทำนีใช่ไหมเนี่ยวิจิกิจฉาแต่ก็บอกว่าชาติหน้ามีอนาคตตะขนันจะต้องไปเกิดแน่นอนถ้าบารรลุพระนิพพานถึงจะไม่ไปเกิด นี้พราะยังไม่ได้เข้าถึงวันนิพานต้องเกิดอย่างแน่นอนเนี่ยถ้าเชื่อจริงๆเนี่ยโอ้ตรวจสอบตัวเองทุกวันไม่ตรวจสอบได้ยังไงใช่ไหมชีวิตจะอยู่ด้วยความหวาดเสียวเนะ่เพราะเราไม่รู้แรงลมหายใจว่ามันจะขาดเวลาไหนเลยเมื่อไม่รู้อย่างเนี้ยไอความรู้สึกที่กระตุ้นเตือนตัวเองจะแรงมากพราะเรายังไม่ได้ ไม่ได้ความประเสริฐนี่ไม่ได้สัมผัสาศาสนาของพระชินเจ้าอันประเสริฐได้สัมผัสอธรรถรสธรรมรสเนี่ยได้ดื่มด่ำรสของพระธรรมเลยในการได้เข้าถึงเลยฮะนั้นชีวิตจริงแน่ว่าเสียแต่สิ่งที่เราเข้าถึงทุกวันคือโลภะโทสะโมหะได้สัมผัสกับมันทุกวันรู้รสชาติดีด้วยใช่ไหมเช่นกินอาหารนอร่อยรู้ไหมติดใจเนี่ยรสชาตินี้เราก็ชอบ ใครมาทําให้ไม่พอใจแล้วก็โกรธเป็นต้นเหล่านี้นะฉะนั้นบาปอากศุศลเนี่ยเราได้สัมผัสได้ดื่มด่าทุกวันแต่รสของศรัทธารสของวิริยะสติสมาธิปัญญารสของศีลรสของสมาธิรสของปัญญาโดยเฉพาะรสของพระธรรมทานไม่ได้ดื่มดำ่ำไม่ได้สัมผัสไม่ได้กินเนี่ย ชีวิตขาดตัวนี้ไงมันขาดตัวนี้แหละนี่สงสัยในในอนาคตแล้วก็มีอยู่จริงหรือไม่